เสียงอ่านโดยโจชโช ด, ดาจะะะไมมม่่่่่่่าสสส น, นนนนนนแแแววััีีีี้้้้จจออองือททดดใใหิใหใหิยู ไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะ อ, อะไรต้นเพศคือใครที่ให้กันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดะไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้า